สิบหห้าสี่สามสองเริ่มได้ท่านฟังคะรายการนี้สัมมนทนาบางคนเรียกชื่อรายการพุทธวัตรสวัส ด, ดีก็ดีเหมือนกันนะคะเดี <c oughs> ฉันโดนแซวอยู่เรื่อยเลยเวลาเจอใครก็พุทธวัตรสวัส ด, ดีเหตุผลที่ตั้งชื่ออย่างนั้นนะคะก็ไม่ใช่ตั้งชื่ออย่างนั้นที่นํามาเป็นคํากล่าวทักแทนคำว่าสวัส ด, ดีธรรมดาก็อยากจะเน้นให้ชัดเจนไปว่าท่านกําลังฟังรายการธรรมะที่เน้นสาระ คือพุททวัจนะค่ะเรียกว่าถ้าใส่ทั้งร้อยเอร์เซ็นได้ที่ฉันก็อยากจะใส่ไว้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นเพราะเห็นว่ามันเป็นคำพูดที่ล้ำค่ามากตอนนี้ก็จะมาถึงอีกช่วงหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสพุททวัจนะในอีกรูปแบบคือจากการที่ตอบคำถามต่างๆที่ถามไปแล้วพระอาจารย์เพิบุญิพิปุโนวัดป่า ด, ดอนไฮโุอดรธานีท่านก็จะยกเอาพูดทวจนะมาเป็นเครื่องประกอบในการ ตอบคาถามของเรานะคะน้อมสักการะท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้ก็เป็นอีกที่ที่คุณยมติบอกว่าถ้าจัดรายการให้ได้เป็นทั้งร้อยเปเ็นเป็นพุทธวจนะเลยเนี่ยนะก็ดีเหมือนกันนะคืออย่างน้อยแต่ว่าคือหมายความว่ามันมันมันอาจจะทําได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะคือสมมติว่าถ้านพระพุทธามาจัดรายการวิจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธวจนะร้อยเ็นแน่นอนทีนี้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพระพุทาไงเราเป็นพระพุทาไม่ได้ใช่ไหม เพะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเอาคำผูชามาบอกต่อแล้วก็ในในกระบวนการเนี้ยถ้ามีสิ่งที่จะทําให้แจ่มแจ้งขึ้นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่แบ่งเป็นช่วงว่าตอนต้นมีท่านมารที่จะพานาในการปฏิบัติเป็นพระวชนละล้วนๆแล้วก็ในภาคท้ายๆของรายการก็จะมีการอธิบายบ้างเปิดธรรมบ้างอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ค่ะก็เพื่อที่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะแต่ในความเป็นจริง เราทาหน้าที่ในการที่จะทาให้มันง่ายขึ้นสำหรับผู้ฟังซึ่งหลากหลายมาก<ช>เราไม่ทราบว่าท่านเป็นใครเราก็พูดโดยรวมนะคะจะได้ให้เรื่องเดียวกันเนี้ยเข้าถึงได้ทุกท่านอืมอืมค่ะอ่าเพราะเพราะเพรา ะ, เร า, ะเราก็รู้อยู่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอินทรีย์บารมีถูกไหมคะใช่แต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันอินทรีย์บารมีคืออะไรครั่านคะอินทรีย์บารมีก็คืออินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ แนะ่ความเป็นใหญ่ที่จะทําให้จิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพขึ้นมาเป็นจิตที่ใสสว่างเหมือนเดิมเป็นจิตที่จะเข้าสุนิพานธ์ได้น ะ, ะอินทรีย์ตรงนี้ผู้เชีกก่ยวเบอกว่ามีอยู่ห้าอย่างนะคือองค์ประกอบที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยกลับมามีอํานาจเหมือนเดิมเนี่ยก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนะีมีห้าอย่างเขเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สมมติความเป็นใหญ่ของในเรื่องการเห็นรูปใช่ไหมนั่นคือตานะตาเห็นรูปได้ดีที่สุด เราจะเอาอาจจะเอามือไปสัมผัสว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่จะมารู้ว่าสีแสงสีเป็นอย่างนี้แลนะมีฟีเจอร์สิ่งนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของอตาเป็นต้นแตนี้อินรีย์ที่เป็นใหญ่นี่พูดถึงอินทรีย์ของจิตนะคืออินรีย้าก็มีอินรีย์6ก็มีใช่ไหมอินรีหกเนี่ยคือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจในอินระีย์5คือพูดถึงเรื่องของใจงเดียวที่จ ะ, อ, ะองค์ประกอบที่ทําให้จิตเนี่ยไปสุนิพานได้ จะบรลุชา้าบรลุเร็วก็อยู่ที่อินรีย์ตรงนี้แหละค่ะอ๋ออินรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ถ้าในความหมายของพระพุทธองค์ใช่นี้เป็นศัพท์ภาษาบาลีทั่วไป อ, อ๋อค่ะเขารลยเมาตั้งชื่อปลาอินรีย์นกอินทรีย์เห็นไหมค่ะ<ๆ> <laughs> <laughs> ดิฉันกําลังจะนึกถึงเนี่เลยกําลังคิดถึงนอกอินรีย์ที่จะมีความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่าปลาอินรียนะคะทําไมดิฉันนึกถึงขนาดนั้นไม่รู้คืออย่างนกอินทรียเนี่ยเป็นนกที่ยิ่งใหญ่เพราะมันกินนกอื่น มันบินสูงมันตาดีมันมีความสามารถหลายอย่างอายุก็ยืนค่ะอในขณะที่ปลาอินทรีก็เหมือนกันนะเป็นปลาที่กินปลาตัวอื่นมีความว่องไวมีความรวดเร็วมีการรู้จักเอาตัวรอดค่ะามันก็เลยเป็นแบบเป็นปลาที่เป็นใหญ่เป็นนกที่เป็นใหญ่อ่ะก็จึงมาตั้งชื่อนี้ระหว่างที่กราบเรียนถามท่านฟังคําถามท่านดิฉันคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะทำไมดิฉันถึงคิดว่านกอินทรีนี่มันใหญ่กว่าปลาอินทรีเข้าใจแล้วคะ่ะก็เกิดไปเดี๋ยวนะคะ ไปเอาเรื่องของนกอินทรีที่เขาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอี อ, อใหญ่ <laughs> นี่ก็เลยประกอบนเออนกอินทรีเนี่ยมันเราคิดถึงในเชิงที่ใหญ่มากกว่าปลาอินทรีแต่จริงๆแล้วถ้าจะมาแปลแบบอย่างนี้ก็คือว่ามันใหญ่เหมือนกันไอน้นา่ก็ใหญ่แบบนกไอ้นี่ก็ใหญ่แบบปลาถูกไ้มคะแต่ละประเทศเขาพยายามจะเอาเครื่องหมายมาบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขาอะนะค่ะ <c oughs> อย่างอังกฤษนี่เขาใช้สิงโตใช่ไหม เมืองไทยนี่ใช้ครุฑนะเป็นสัตว์ในนิยายใช่ค่ะก็สุดแท้แต่นะคะว่าจะคิดว่าตัวเองนั้นเหมาะเจาะกับอะไรแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของธรรมะของพระพุทธองค์เราชาวพุทธเราก็ต้องเหมาะกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนั่นแหละคะ่ะท่านคะขอให้ไปที่เรื่องของพุทธชยันตีถวายพุทธบูชาให้กับพระบรมศาสดาในโอกาส ที่ตราสรรุมา 2,600 ปีก่อนค่ะก็ในพูดถึงเรื่องความเป็นใหญ่แล้วก็จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าพระองค์เนี่ยมีความสามารถระดับไหนมีความยิ่งใหญ่ระดับไหนเนี่ยคือเราเห็นแบบว่ารูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆก็คนเหมือนคนทั่วไปแต่แต่ข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของสีหนาะสีหะสีหะเนี่ยเป็นพระยาสัตว์ที่สมัยนี้หาไม่มีแล้วนะ S 1> <S 1> เป็นป<ะ>ริยสัตว์ที่อยู่ตัวเดียวมีความสามารถมีความคมเก่งมากเวลาจะออกอาหาในเวลายเย็นเนี่ยสีห์ก็จะเหยียดกายก่อนออกมาจากถ้าที่อยู่แล้วก็เหยียดกายแบบแบขี้เกีเยจนะแล้วก็บลือเสีย ห, หน้าไปตามที่ต่างๆสามครั้งแล้ก็เหมือนโฮ่โฮ่โฮไปอย่างเงี้ยเหมือนกับสิงโตร้องนะหรือว่าลักษณะที่เปล่งเสีย ห, หนาาออกไปพอเสียงถูกเปล่งออกไปแล้วเนี่ย นกเอ้ยก็บินขึ้ น, นฟ้านะอะไรสัตว์อะไรต่างๆที่มันอยู่ที่ไหน ส, ไสัตว์อะไรต่างๆที่มันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็กลับเข้าที่อยู่ของมันหนังงูก็เข้าจอมปลวกปลาก็อยู่ว่ายไปในน้ํานกก็บินขึ้นฟ้าสัตว์ปลาอะไรต่างๆก็หนีแต่กระเจิงหมดนะเพื่อที่จะหนีให้ไกลจากเสียงนั้นแล้วก็ช้างของพระราชาเนี่ยที่ถูกผูกอยู่ด้วยเชือกอันเหนียวเนี่ยก็พยายามดึงเชือกให้ขาดออกแล้วก็หนีไป โดยข้างคั้นข้างนี้แต่สีหน้าเป็นสัตว์ที่มีกําลังมากเพรอย่างนี้ที่ที่สีหน้าทําอย่างนั้ น, งงนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะถูกรบกวนโดยเจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะต่างๆจะต้องมาเดือดร้อนจากการที่เขาจะไปหาอาหารแตนะเพราะว่าสีหน้าเนี่ยนะคุณโยมติว๋วเวลาจะตระกุบเหยื่อเนี่ยตะกุบทีเดียวต้องตายนะกินอาหารปุ๊บก็กินแต่ส่วนที่เป็นเนื้อส่วนอื่นทิ้งไปกระดูกอะไรต่างๆคือจะมีพวกสัตว์เล็กสัตว์อืนสัตว์น้อยที่อาศัย เศษอาหารของศรีหนาทเนี่ยเศษอาหารของเจ้าพญาศีหะเนี่ยเป็นอาหารอยู่เหมือนกันค่ะอืมพระเจ้ายิ่งใหญ่เพราะอย่างนี้ก็เปรียบเทียบกับตัวพระองค์นะว่าในสัตว์2เท้าเนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินพระองค์ในเรื่องความรู้ความสามารถในเรื่องของสีสมาธิปัญญาเทวดาเหรอมาเปรียบเทียบกันแต่ไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินพระองค์ในเรื่องของความสามารถในเรื่องของสีสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลก จะไม่อาจจะมาต้านทานพระองค์หรือว่าคัดข้านพระองค์ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นเรียกกับสีหนาศสรีหะอศสีหานาศานี้แบบว่าการบรรลือนะศรีหานาศก็คือการบรรลือของสีหะสัตว์ตัวนี้ชื่อสีหะพญาสีหะค่ะบางคนเราบอกว่าบรรลือแปลว่าอะไรอีกสมัยนี้คนอาจจะไม่คยคุ้นเคยกับเรื่องภาษาไทยเท่าไหร่ <c oughs> บรรลือเข้าไเหมือนกับเปล่งเสียงถูกไหมครับใช่ใช่เปล่งเสียงในที่นี้คือคําการสอนของท่านถูกต้อง ก็เปรียบเทียบกับเอามันจะมีหลายประเด็นนิดหนึ่งตรงนี้ว่าการสอนของพระเจ้านั่นะคือการบัลลือสีนานพอเปล่งออกไปแล้วเนี่ยพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนกับลทัทธิสมัยอื่นที่มีอยู่ในนั้น น, นะนะ เ, เช่นว่าการที่คิดว่ากรรมไม่มีโลกอื่นไม่มีโลกนี้ไม่มีเนี่ยอพอพระพเจ้าบัญญัติบอกพบภูมิแรงต่างตรงเนี้เป็นการบัลลือสีนานทําให้สิ่งนั้นต้องถอยไปต้องถอยไปเหลือไปเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ หรือประการที่เวลาเสียหนาจกินอาหารเนี่ยเหยื่อของเขาเนี่ยกินตายแล้วใช่มเนื้อเนื้อ<ช>อะไรต่า ง, าง <ๆ S 2> กินหนดเรียบร้อยเหลือแต่เศษกระดูบ้างไสในเครื่องในเครื่องตับไตเลยโยนทิ้งไปแนี่ก็จะมีสัตว์เล็กๆเนี่ยมากินตัวอย่างตรงนี้เปรียบเทียบกับเวลาที่ผู้ชอบประกาศธรรมะแล้วเนี่ยอย่างเช่นเมตตาเนี่ยบอกโพมิหารสี่ปลายบอกโพชงเจ็ดปลายคนอื่นก็มาขโมยทําไปขโมยธรรมะบอกเอ้ยฉันก็สอนโพชงฉันก็สอนโพมิหานสีเอ้ยนี่ใขรหลอกไข่เนาะ เหมือนสัตว์เล็ก ส, สน้อยที่อไปเหยียบเหยื่อเนี่ยไปยืนกินเหยื่อตัวนี้อยู่นะเสศษเหยื่อตัวนี้อยู่แล้วก็มาทําแอคท้าว่านี่ฉันหามานะดูซิเหยื่อตัวเมื่อเริ่มเล อ, อย่างนี้เป็นต้นนะอืมค่ะนะคะนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาของเราที่เราควรจะรู้ไว้ในโอกาสที่คําสอนของท่านหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ย อยู่มาถึงวันนี้สองพันหก้อยปีแล้วก็จะต้องอยู่ต่ อ, ตอไปท่านพิบูลคะ่เคะเจริค่ะคือดิฉันเองเนี่ยก็อ่านเจอข่าวข่าวหนึง่งอ่าแล้วอยากจะยกขึ้นมาเพราะมันสะกิดใจคือเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับผู้อนวยการในแต่ละจังหวัดในส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านตัดสินใจที่จะละชีวิตนี้ด้วยการค่าตัวตายใช้วิธีผูกขอตายอ๋อใช่พานจริงๆคนผูกขอตายก็ย่เยอะแยะไปหมดแต่ทีฉันมีความรู้สึกว่าท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่จะต้องบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแล้วก็รู้มาว่าในคำสอนของพระศาสดานั้นอาจจะให้พวกเราเนี่ยเห็นว่า ความตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาถ้าเกิดมาแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือท่านเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่ทําให้ท่านตรัสรู้สอนถูกไหมคะออืใช่เนี่ยค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามในคําสอนของท่านดิฉันถามมาหลายรอบแล้วเรื่องค่าตัวตายก็ได้ทราบว่าไม่ถูกต้องที่จะทําอย่างนั้นออพระเจ้าสอนให้เห็นคุณค่าของชีวิตค่ะคุณค่าของชีวิตนี้เหมือถึงว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาก็แสยนยากแล้วนะ แล้วก็เพราะฉะนั้นเสดมาแสนยากอย่างนี้เราจะเราควรจะใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่าในะอย่างคุ้มค่าในที่นี้ก็หมายความว่าสร้างทำความดีสร้างกุศล เ, เราก็ให้เห็นโทษของความตายให้มีความเบื่อหน่ายในชีวิตนะซึ่งมันเหมือนกับสอนตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงซึ่งถ้าคนไม่ทําความเข้าใจให้ดีอาจจะสับสน อย่างไรก็ตามนี้ผู้เช่าชี้วิชัดเจนว่าการฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะฆ่าตัวเองก็ตามหรือฆ่าคนอื่นก็ตามเนี่ยก็ชื่อว่าทําปานาติบาเหมือนกันเนา ะ, ะทำปานาติบาตอย่างนี้เราก็ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะนี่คือคก็พูดเป็นหลักกรกว้างเฉยดิฉันคือดิฉันสะท้อนใจอย่างนี้ท่านคะว่าเท่ากับว่าคนชาวพุทธเนี่ยยังไม่เข้าใจถึงหลักการของพระพุทธศาสนา มากเพียงพ อ, อ, อชาวพุทธคืออะไรคุณยมติว๋วคุณจะเอาคนคนเดียวมาแทนชาวพุทธทั้งหมดก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอคนคนเดียวเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ชาวพุทธทั้งหมดนะถึงแม้ชาวพุทธทั้งทั้งหมดถึงแม้คนส่วนมากจะมีความเห็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเห็นส่วนมากนั้นถูกต้องนะพระเจาอุบัติขึ้นมาคนเดียวบนโลกอ่ะมีความเห็นที่ถูกต้องคนอื่นทั่วโลกทั้งหมดมีความเห็นไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยพระเจ้าพยายามจะบอกสอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถวัดตามจมํานวนคนได้ ว่ามากหรือน้อยหรือว่าเอาตัวอย่าง exceptional case มา case เดียวก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นโพอะไรก็ตามที่เขาทำเนี่ยนะก็คุณจะต้องมีบรรทัดฐานในการที่จะเปรียบเทียบกับคุณธรรมอันหนึ่งเราจะดำเนินชีวิตไปได้ไม่ใช่ตามโพค <c oughs> ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ที่ดิฉันรู้สึกอย่างนี้นี่อันนี้ต้องพูดโดยความบริสุทธิ์และ้วด้วยโดยความเคารพท่านผู้วายชนด้วยนะคะว่า อ่าคือเหมือนกับท่านเป็นผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับาศาสนาพุทธเนี่ยค่ะอืมอืม อ, อาจจะทำให้ดิฉันคิดแบบนี้แต่นำเรื่องนี้มาพูดไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดเชิงตำหนิผู้ที่ตัดสินใจทำอย่างนั้นหรืออย่างไรนะคะแต่พูดเพื่อให้สังคมเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวในแง่ที่ว่าเราต้องปลูกฝังเรื่องความรู้ไปให้มากขึ้นอีกอ๋นอแน่นอนอันนี้แน่นอนนะคะก็ เลยขออนุญาตแวะนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเนี้ยท่านก็ได้ประโยชน์มากมเลยนะคะท่านผู้ฟังสําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเราถูกไหมคะท่านอย่างนั้น<อ>ก็คือฆ่าตัวตายไม่ได้ใช่ใชคค่คือเราไม่มีความเป็นเจ้าของเจ้าของในสิ่งใดๆอยู่แล้วละ่ะแม้กระทั่งกายของเราคืพอพระเจ้าบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอแล้วก็ไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นค่ะ เ, เราควรจะคือฆ่าตัวตายนี่คือทำพนาธิบาร์แน่ละ่ะค่ะข้อเสียหายก็คือท่านผิดศีล ข้อหนึ่งอย่างร้ายแรงใช่ไหมคะคือทำลายชีวิตทำไมการทำลายชีวิตแม้กระทั่งชีวิตที่ถึงแม้ว่าในทางธรรมอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ในความรู้สึกก็คือมันก็ไม่มีใครมาเดือดร้อนกับชีวิตอะไรนี้นักหนาของละที่ชีวิตที่เราอยู่กับมันตลอดเนี่ย <ừ> ค่ะแล้วมันจะไปผิดอะไรตรงไหนนะคะมันเสียหายอะไรคะคือมันเกิดภาระอยู่ตลอดเวลานะ สมมติว่าถ้าเราบอกว่าไม่มีใครมาเดือดร้อนเลยากับการกระทำของเรามันมันไม่ใช่หรอกคือถ้าเราทำอะไรสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะต้องเป็นการกระทบกับใครคนใดคนหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นไอ้การกระทบที่ส่งออกไปองนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการเบียดเบียนหรือเปล่าการมีพยาบาทหรือเปล่าเราก็ต้องมาพิจารณา ด, ดูแล้วถ้าเบอกว่าเราคิดว่าเราจะไม่กระเทืนใครมันมันไม่ใช่หรอกคุณนั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ยพวกซิงเกิลเซลล์ไมโครออแกนิซึมที่อยู่ในท้องเรามันก็ทํางานอยู่เหมือนเดิม นึกออกไหคุณยมเทียไม่เข้าใจเลยค่ะเท่านต้องอธิบายเลยค่ะเอ่อคือว่าเอ่อจะพูดยังไงล่ะอย่างว่าเวลาที่เราบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับของเราใช่ไหมเราฆ่าตัวตายเราอาจจะไม่ผิดซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าการตายของเราเนี่ยมันกระทบของคนอื่นนะอย่างที่เรามาพูดกันในรายการเนี่ยก็เพราะการตายของบุคคลคนนั้นนจะว่าไม่กระทบไม่ได้เพราะคุณทําตรงเนี้ยมันก็ชื่อว่าเป็นการกระทบซึ่งใบกันใบกันมาแล้วนะ เพราะนั้นมันจะอยู่ในองค์ประกอบของศีลไหมล่ะเราก็ต้องพิจารณาดูอย่างเงี้ยคือภาษายังไงเกิดขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ท่านพูดมาตอนนี้ดิฉันเลยนึกไปถึงข่าวข่าวหนึ่งเขาพูดถึงนักร้องที่ติดยาเสพติดไปบาบัดแล้วก็กลับมาเข้าสู่สังคมพหลังจากนั้นพอมีข่าวคนอื่นที่เสพยานะคะข่าวคนอื่นนะจริงเท็จยังไงแค่ไหนไม่ทราบ อ่านเฉพาผ้าถั่วเขาบอกว่าคนนี้หมดสารภาพบอกว่าที่เสพยาเนี่ยเสพตามนักร้องคนนั้นอ mm hmm. ออืเซึ่งโดย ท, ทั่วไปอย่างกรณีฆ่าตัวตายกลับมนที่ฆ่าตัวตายเช่นพานดิฉันเห็นพวกนักจิตวิทยาอืม mm hmm. เขาจะเป็นหัวเป็นใหญ่กันมากว่าอย่าเอามาลงหนังสือพิมพ์เพราะว่ามันจะทําให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นได้ช คิดว่าพฤิกรรมเรีนแบบนี้เรามาคุยเป็ น, ป, นประเด็นได้ต่อนในวันพรุ่งนี้เลยแหละมีเรื่องที่ต้องคุยกันมากอะนะคะก็ลาท่านไตบูรณ์ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ได้ความรู้พอสมควรทีเดียวนมาสการขอบพระคุณคะ่ะเ พ, <อ S 2> พื่อนๆ <นะ S 1> ที่กรบค่ะและนี้ก็คือการสัญนิยมสนทนานะคะเราสนทนากันในเรื่องของคําสอนของภาษาศาสดา์ที่เรียกว่าพุทธวัจนะค่ะพุทธวจนะ ประกอบด้วยส่วนธรรมกับส่วนวินยัยในส่วนของธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีการนํามารวบรวมเอาไว้ในหนังสือชุดพุดทธวจนะโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเจ้าวาวัณป่าพง0์2 6 9 0 0สอง้าท่านติดต่อกันเข้ามานะคะท่านอาจจะเป็นหนึ่งในสามผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือไปวันนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะพุทธวสวัสดีคะ่ะ